ด้วยเหตุนี้แหละท่านจึงว่าความริษยาทำให้โลกจิบหายบาลีว่าอารติโลกะนาศิกาและว่าเมื่อใดความโลกครอบงำแล้วเมื่อนั้นเขาย่อมมืดบอดบาลีว่าอันท่าตมังตาโาหวติยังโลโพสหเตนรังมืดเหมือนคนตาบอดในที่มืดธรรมดานั้นคนตาดีถ้าจ้องนานๆเข้า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 เมื่อเมาเล่าเขาอีกทำให้ใจต้องเมาเพิ่มขึ้นอีกเท่าใดมมทิตาความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีทำให้จิตใจของเราชุ่มชื่นอยู่วยความดีของผู้อื่นและความดีของตนเห็นความสุขความสาเร็จของผู้อื่นเช่นเดียวกับความสาเร็จของตนเป็นบุญอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าบุญที่ได้จากการอนุโมทนาต่อความดีของผู้อื่นหรือ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 ด้วยรักและคิดถึงเสมอพ่ออาพรประดับใจข้อที่สผู้เบกขาลูกรักเมื่อตอนที่แล้วพ่อได้พูดถึงอาพรประดับใจเรื่องมูทิตาความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีและอย่าลืมยินดีกับความสุขความสาเร็จของตนด้วยเพราะคนที่ไม่รู้สึกยินดีพอใจเสียบ้างเลยนั้นจิตใจจะเหืดแห้ง